นานาทาตุญานญานที่สี่นานาทาตุญานปรีชากําหนดรู้ทาตต่างๆยานข้อนี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องทาตต่างๆซึ่งในคำภีได้ที่บายไว้ว่าพระองค์ทรงรู้แจ้งว่าขันอายตนะเป็นต้นประกอบขึ้นด้วยทา่าอย่างไรบ้างเช่นทรงรู้แจ้งว่า ร่างกายประกอบขึ้นมาจากาธาตุทั้งสี่อายตนาทั้งหลายคือจักสุโสตคานะชิวหากายะหัทไทวัตถุรูปเสียงกลิ่นรสโหดพภะธรรมารมณ์ประกอบขึ้นมาจากาธาตุอะไรหรือพูดอีกในหนึ่งพรองทรงรู้แจ้งว่าตัวเราประกอบขึ้นด้วยาธาตุทั้งหก คือปัตวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุและนอกจากนี้พระองค์ยังทรงดูแจ้งถึงเรื่องสังกตธาตุและอสังกตธาตุทั้งหมดจากคำอธิบายในคำภีซึ่งเป็นการอธิบายอย่างสั้นที่สุดแต่ก็ทำให้เรารู้ความหมายได้อย่างลึกซึ้งว่า พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งในเรื่องธาตุต่างๆทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมทั้งที่เป็นสังคตธรรมและอสังคตธรรมนี้ก็มีความหมายเท่ากับพระพุทธองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์มานานแล้วและอีกในหนึ่งการที่พระองค์ทรงเรียกสิ่งต่างๆว่าเป็นธาตุ น, นั้นย่อมหมายถึงว่า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 และจากการที่เราได้ศึกษาให้เข้าใจในเรื่องปฏิจจสมบทบาทอย่างละเอียดเราก็จะพบว่าพระพุทธเจ้าทรงถือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุและเหตุแต่ละอย่างก็มีเหตุของมันต่อต่อไปอีกไม่มีคำว่าต้นเหตุหรือปลายเหตุเพราะสิ่งทั้งปวงต่างก็เป็นเหตุของกันและกันและสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่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 ความรู้ในด้านวัตถุ น, นั้นคนในทางโลกสามารถศึกษาค้นคว้ากันเองได้ส่วนความรู้ในด้านานามธรรมซึ่งเป็นรากฐานของวัตถุถ้าหากไม่ได้อาศัยพระองค์แล้วโลกจะไม่มีทางรู้ถึงเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา4 5่สิบาพัน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 ถ้าคนไหนคิดอย่างนี้ก็นับว่าผิดมากอันหนึ่งข้าพเจ้าใคร่ที่จะชี้แจงให้ทราบอีกสะเล็กน้อยว่าวิธีศึกษาที่จะให้ได้มาซึ่งความรู้อันถูกต้องตามความเป็นจริงนั้นเราจะต้องมีสมาธิสูงมากเพราะจากความสามารถในเรื่องสมาธินี้จะช่วยเราสามารถศึกษาหาความรู้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 ร่างกายของแต่ละคนนั่นเองถ้าท่านเข้าใจหลักอันนี้ดีท่านก็จะไม่ปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งเรื่องทา่าต่างๆอย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ตัสรู้ด้วยตัวเองนั้นเป็นเพราะพระองค์สามารถแสวงหาความรู้จากภายในจิตใจของพระองค์ได้เพราะฉะนั้น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 เหมือนอย่างคนอายุคปัจจุบันนี้ก็ไม่มีพระองค์ทรงสอนสาศาสนาก็มุ่งแต่จะให้คนทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ซึ่งงานในด้านนี้ก็ได้ประสบผลสำเร็จอย่างงดงามมาแล้วเพราะคนที่พ้นทุกข์เพอรู้แจ้งในธรรมและปฏิบัติตามธรรมจนพ้นทุกข์น้นมีมากมาย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 ขอได้โปรดสังเกตให้ดีว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสาศาสนาได้ผลก็เพราะมีความรอบรู้ในเรื่องธาตุต่างๆความรู้ในเรื่องธาตุก็คือการรู้ถึงแก่นหรือเนื้อแท้ของสิ่งทั้งปวงถ้าท่านคิดได้อย่างนี้ท่านก็จะได้หลักในการสอนสาศาสนาว่าคนที่จะสอนสาศาสนาให้ได้ผลจริงๆ น, นั้น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 จุดที่เขาจะเชื่อและไม่เชื่อซึ่งหลักอันนี้ได้เคยที่บายมาแล้วในหัวข้อเรื่องฐานาฐานายาน